ไม่ได้พบกับนัตสันติป ร, รังสุขขังนอกจากการทำใจให้สงบนี้เท่านั้นที่จะพบได้พบปรังสุขขังคือบรมสุขพบนัตสันติปรังสุขขังพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย อยู่ที่การทาใจให้สงบนี้เพียงอย่างเดียวดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ไปเสียเวลากับการกระทําต่างๆท่านพุ่งชีวิตจิตใจของท่านให้กับการทาใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเคยทำอะไรต่างๆ เช่นเคยทำมาหาเกินหาลาบหายุธหาสารรเสริญหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้วกายท่านก็จะหยุดการกระทำเหล่านี้อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็มีลาบมียศมีสรรเสริญ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 นักปราชี่แท้จริงต้องดำเนินแบบนี้ถ้าเป็นนักปราชแต่ยังแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายอยู่ยังไม่ใช่เป็นนักปราชจริงเล่นนักปราชัทั้งหลายที่โลกเขายกย่องมีการมอบรางวัลต่างๆให้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 ดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นักปราบแบบนี้จึงไม่ใช่เป็นนักปราบที่แท้จริงเป็นนักปราบปอมนักปราบจริงต้องเป็นนักปราบแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นนักปราบที่แท้จริง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 ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพื่อให้ใจสงบและพบกับปรมังสุขขังดังนั้นผู้ที่อยากจะเป็นนักปราดอยากที่จะได้พบกับปรมังสุขขังพบกับนัตติสันติสันติปรังสุขขังก็จําเป็นจะต้อง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 ผู้ที่ต้องการเร่งความเพียนผู้ที่ต้องการกำจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาเหานอนนี่มักจะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือเพราะเวลาอดอาหารแล้วนี่ความง่วงเหงาหานอนจะไม่มีความเกียดคร้านจะไม่มีความเพียนจะมาเองเวลานั่งก็ไม่ง่วงเหงาหานอนไม่สับประงก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 ดูอย่างนี้ได้ด้วยอุเบกขาต่อไปเวลาเจอของจริงขึ้นมาก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะได้ซ้อมได้ทําการบ้านมาแล้วนี่คือนิมิตที่มีคุณมีประโยชน์แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักใช้นิมิตก็อย่างที่พูดไว้ว่านิมิตนี้ก็เป็นเหมือนกับมีดถ้าเราไม่รู้จักใช้มีด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 จะพิจารณานี้ต้องรอให้จิตถอนออกจากสมาธิก่อนออกจากความสงบก่อนพอออกจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุมแต่งเริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผัสพะจึงค่อยดึงออกมาคิดทางปัญญาเบื้องต้นก็ให้คิดที่ร่างกายเราก่อนหรือให้คิดอยู่กับสิ่งที่เรายังรักยังหวงอยู่ ถ้าเรายังรักยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังหวงลาบยศจัลเสญยังหวงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิพะชนิดนั้นชนิดนี้อยู่หรื อ, อยังติดอยู่ก็ต้องพิจารณาตายรักษในสิ่งนั้นๆให้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันจะเป็นความทุกเวลาที่ไม่ได้เศ็ไม่ได้สัมผัส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 แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากจะกลับมาหาผีดิบผีเดินได <c oughs> ้ถ้าไม่พิจารณาก็จะคิดว่ากลับมาหาเทพประบุทเทพธิดา <c oughs> นี่คือเรื่องของปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาไม่ควรปล่อยให้ใจคิดไปตามทางของกิเลสคิดไปทางความโลภความอยากต่างๆ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 เวลาออกมาเจริญปัญญาแล้วจิตมันพยศเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอาจจะไม่สามารถดึงมันเดืยหยุดความฟุ้งซ่านมันได้เพราะไม่รู้จักวิธีกลับเข้าไปในสมาธิดังนั้นควรเถกสมาธิให้ชำนองเรื่องปัญญาค่อยตามมาค่อยเป็นค่อยไปเอาสมาธิให้มันแน่นให้มันคล่องแคล่ว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 มันก็อยู่ในกรอบของกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่เองแต่เป้าหมายของมันมันต่างกันไปแต่ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็จะรู้เองจะเห็นเองว่าจะเป็นตัณหาแบบไหนและจะแก้อย่างไรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยไตรักนี่แก้ด้วยอสุภาแก้ด้วยอาหารเลปฏิกูลสัญญาแก้ด้วย อาสุภะแก้ด้วยธาตุสี่มันก็มีเท่านี้แหละถ้าเห็นธรรมเหล่านี้แล้วก็จะสามารถที่จะกำจัดทาลา ย, ข, าย ข, าาข้าศึกษัตรูที่คอยขวางกั้นไม่ให้ไปถึงพระนิพพานได้พอข้าศึกัตรูที่คอยขวางกั้นถูกทำลายหมดแล้วจิตก็ถึงพระนิพพานเองถึงในที่สุดถึงปรมังสุขถัง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 ยะถวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอ oh ุปกาปติอิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสัมิจัตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโทอันตรายยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิธานิจังวุธาปจายโน จตาโรโธ ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็อาขอขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบถ้าไม่มีก็จะให้ถามผ่านทางอินเทอร์เนต็ตต่อไปถามหมครับครั บ, รบต่อไปเป็นคําถามที่มีผู้ฝากถามมานะครับในอิริยาบทต่างๆยืมเดินนั่งนอนและเมื่อทํากิจกรรมต่างๆให้ทําความรู้สึกกับ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 ชติเจะแตกพอปัญญาเข้ามาปับมันก็ยอมรับได้ว่าปล่อยดีกว่าไม่ปล่อยแล้วไม่ทุกถ้ายึดแล้วจะทุกเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนในขณะนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ก็รีบทำการบ้านเสียเตรียมตัวไว้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 กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามวิธีการฝึกอัดถิกสัญญาว่ามีขั้นตอนการฝึกอย่างไรบ้างคะอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนะยต้องไปถามอาจารย์กูเกิลแล้วนะคำถามข้อต่อไปจะคุณวิเชียนนะครับผมขอเรียนถามว่าสมัยพุทธกาลพระพาหิยะ ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ยังเป็นค้ารือหัดจากการฟังธรรมพระศาสดาในปัจจุบันค้ารือหัดมีฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้ายังสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนสมัยพุทธกาลได้หรือไม่เพราะอะไรครับได้ถ้ามีมีอินทรีย์หรือมีพระหที่แก่กล้ามีสติมีสมาธิมีปัญญา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 ก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อกู้เขาแล้วก็ไม่สามารถใช้เงินก็ได้ถ้าถูกข่มคู่มากๆ ก, ก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ไปต้นไปจี้เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี้อันนี้คือปัญหาที่จะนำไปสู่การกระทำาบาปต่อไปอตัวตัวอบายามุกเองนี้มันเป็นเพลงตัวเหมือนกับสื่อเป็นชนวนชนวนที่จะทำให้เราต้องไปทาบาป ถ้าเราอยากไม่ต้องการจะทำบาป ก, ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกียดข้านการกระทาเหล่านี้มันจะทำไปสู่การกระทาบาปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสุราใส่เข้าไปในสีหน้าด้วยเพราะว่าถ้าไม่เพราะสีนเพราะการดื่มสุราที่ถ้าทาให้ไม่มีสติ พอไม่มีสติแล้วจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะไม่มีการยับยัง้งคนที่จะไปทำบาปมักจะไปดื่มสุราย้อมใจก่อนเดือเมื่อมันเมาก่อนว่าจะได้ไม่มีสติที่จะไปยับยั้งความคิดที่ดีความคิดที่จะมาหาักห้ามการกระทาบาปได้ฉะนั<ช>้น <c oughs> เรื่องของการมานันก็มันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนึกันและกันแล้วจะมอง อ, อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าเป็นการ แบ่งปันกันก็ได้แล้วก็ถือว่าดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันใครดวงดีก็ออาไปอย่างที่เราซื้อสลากเปนแบ่งนี่เราก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปให้คนที่เขาถูกถ้าเราถูกเราก็ได้มาแต่มันไม่ใช่เป็นวิธีการหาเงินที่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 อ่าการพนันไม่อยู่ในศีลห้าครับแล้วก็ทําต่อไปครับอาจารย์ก็ อ, อย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ในศีนห้าไงเพียงแต่ว่ามันจะทําให้ต้องไปทําบาปต่อไปเวลาหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปกู้หนี่ยืมสินไปโกหกหลอกลวงคนอื่นว่าจะขอยิบเงินแล้วก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่รู้ว่ายืมมาแล้วก็คงยังไม่ได้ใช้หรือมาเช่ น, นั้นก็ต้องไปลักขโมยหางเงินมาเล่น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 ไปกู้นี่ยืมสินเขาแล้ใช้เขาไม่ใช้เขาไปเจอคนที่มีที่พนเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าลอยหรือแม้กระทั่งต้องหนีเขาไปฆ่าตัวตายกันก็มี <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเสี่ยงกับของเหล่านี้มันเหมือนกับไปเล่นกับไฟได้ไม่คุ้มเสีย <Yeah. S 1> เวลาได้มาง่ายก็จะใช้ง่าย <Yeah. S 1> ได้มาก็ใช้กันแบบชู้รุย่ยสู้ร่ายถลุงกัน แล้ในที่สุดก็หมดอยู่ดีสู้ไปทํางานด้วยอาชีพสุดจริญอดออมฮาเก็บมาได้มากได้น้อยก็หัดเก็บเอาไว้สํารองเอาไว้พอมีจํานวนมากก็เอาไปลงทุนเพิ่มเติมต่อไปมันก็ร่ํารวยขึ้นมาได้ยลองไปศึกษาประวัติของคนร่ารวยทั้งหลายเขาทําแบบนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้เล่าไม่ได้รวยเพราะการเล่นการพนันแม้แต่รายเดียวเขารวยเพราะเขามีความกระยันทํามาหากิน ขยันเก็บเงินเก็บทองที่ก็หามาได้เห็นไหมคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยในปีหนึ่งก็าหยุดการกี่วันสามวันสี่วันตุ่จีน <c oughs> เออตอนนั้นทําหมดเลย <c oughs> เขาถึงร่ำรวยกลายเป็นเจ้าสัวขึ้นมากันเ <c oughs> อันนี้แหละเราควรจะศึกษาประวัติของคนเหล่านี้แล้วไปดูได้มีประวัติของคนที่เป็นการพนันแล้วร่ํารวยขึ้นมาไหมมีไหม อันนี้คำถามน้อยนะบ่นแล้วเหรอาจารย์รครับแล้วอาชีพปล่อยเงินกู้ครับอาจารย์หกักปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่มาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยเป็นบาปไหมครับแล้วถ้าปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่สูงจนคนอื่นเดือดร้อนก็าบาปเหมือนกันใช่ไหมครับพราอาจารย์ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาผลตอบแทนมากหรือน้อยถ้าเรากู้โดยที่ไม่มีดอกเลยเราก็เป็นได้เท่ากับถ้าทาบุญฮ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 ขอส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นถ้าเราอยากจะปล่อยเงินกู้ก็ปล่อยแบบไม่คิดดอกรดูแถมดอกก็ได้อ่าถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าจะได้มีไหมไม่มีนะอ่าอย่างนั้นถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ <belle viewer. S 2> ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุ